ปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรตอบไว้ด้วยนะที่นี้คือข้อที่ว่าพระอรหันต์บรรลุมรรคผลก่อนแล้วจึงเจริญสมถะเพิ่มเติมจนได้ฌานสมาบัติและอภิญญาได้หรือไม่พู้ถึงฌานสมาบัตก่อนตามหลักที่ได้อธิบายมาแล้วผู้ปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาญาณิกซึ่งไม่ได้ฌานมาก่อนเมื่อบรรลุอริยมรรคสมาธิย่อมแนบสนิทเป็นอัปปนาถึงขั้นปฐมฌาน และหลังจากนั้นไปผู้บรรลุนั้นสามารถเข้าผลสมาบัติด้วยฌานระดับปฐมฌานนั้นเพื่อเป็นทิฏธรรมสุขวิหารต่อไปได้เรื่อยๆในเวลาที่ต้องการตามหลักนี้ผู้บรรลุมรรคผลจึงได้ปฐมฌานเป็นอย่างตำ่ำปัญหามีว่าพระอรหันต์ผู้ได้ฌานขั้นตำ่ำจะเจริญสมถะต่อให้ได้ฌานสมาบัติที่สูงขึ้นไปได้หรือไม่ปัญหาข้อนี้ ถ้าตอบตามมาติของอัตถกถาดีกาก็ว่าได้และโอกาสที่จะได้ก็น่าจะมีมากขึ้นด้วยเพราะมีภาวะจิตที่ช่วยให้สมาธิประณีเข้มแข็งยิ่งกว่าก่อนท่านจึงอา จ, จเจริญขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเสริมการเสวยผลทางจิตที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคำพีอภิธรรมมัทวิพาวินีกล่าวถึงพระอนาคามีผู้เป็นสุขวิปัสสะทำสมาบัติให้เกิดขึ้นในเวลาจมรณะ เพื่อให้สามารถไปเกิดในสุทาวาตคัมภีสุมังคละวิลาสีอธิบายสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารว่าหมายถึงพระสมาปฏิฌานและฌานที่พระขีนาศพทําให้เกิดขึ้นในภายหลังคัมภีปรมัตตีปณีกล่าวถึงบุคคลที่บรรลุอรหัตผลแล้วเข้าสมาบัติที่ไม่เคยเข้ามาก่อนโดยปฏิโลมอย่างไรก็ดีมีบาลีที่น่าสังเกตแห่งหนึ่ง คือสัฐสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาทกล่าวถึงการได้ธรรมจักสุมีใจความว่าพร้อมกับที่ธรรมจักสุเกิดขึ้นอริยาสาวกย่อมละสังโยชสามได้ตรงนี้หมายถึงบรรลุโสดาปติพลต่อมาธรรมจักสุอีกคราวหนึ่งพ้นจากธรรมสองอย่างคืออภิชาและพยาบาทตรงนี้หมายถึงบรรลุอนาคามิผล อริยสาวกนั้นเข้าถึงปฐมฌานอยู่ถ้าท่านถึงมรณกรรมในเวลานั้นก็ไม่มีสั่งยชศที่จะทําให้ท่านกลับมายัางโลกนี้อีกข้อความจากบาลีแห่งนี้มองแง่หนึ่งเหมือนว่าอริยสาวกนั้นได้อนาคามิผลก่อนแล้วจึงได้ปฐมฌานแต่ถ้าถือตามหลักที่อธิบายมาแล้วก็ต้องแปลความหมายว่าท่านเข้าปฐมฌานที่เคยได้มาก่อนแล้วส่วนอภิญญา พระอระหันต์ที่บรรลุมรรคผลก่อนแล้วจะเจริญเพิ่มเติมได้หรือไม่คำตอบก็คงว่าได้เช่นเดียวกันแต่คงต้องพูดต่อไปว่าพระอระหันต์ไม่ขนขวายที่จะทำอภิญญาที่ท่านอย่างไม่ได้ทั้งนี้เพราะประการแรกพระอระหันต์ย่อมไม่ปรารถนาริษอานาจพิเศษอะไรเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านประการที่สองไม่มีเหตุผลเพียงพอเกี่ยวกับประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในแง่การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นถ้าการทำริษทำอภินยาเป็นกระบวนการที่ยากและกินเวลาอย่างที่บรรยายไว้ในวิสุทธิมักคือในวิสุทธิมักแสดงความยากของการทำริษว่าแม้แต่การบริกรรมกระสินก็เป็นงานหนักแก่ผู้เริ่มต้นหนึ่งในร้อยในพันจะสามารถทำได้สำหรับผู้ทำบริกรรกสินได้แล้วการทำนิมิตให้เกิดก็เป็นงานหนัก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 1นในร้อยในพันจะสามารถทำได้แม้สำหรับผู้ทำฤทธิ์ได้แล้วการรวมจิตเข้าฌานได้ฉับพลันก็เป็นงานหนักหนึ่งในร้อยในพันเท่านั้นจะมีได้ถ้าการทำฤทธิ์ทำปัญญาเป็นกระบวนการที่ยากและกินเวลาอย่างนี้พระอระหันย่อมนำเอาเวลาและความเพียร น, นั้นไปใช้ในการสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนเป็นการทาอนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่า เลิศประเสริฐกว่าอิทธิปาติหารทั้งปวงดีกว่าจะมาวุ่นวายกับโลกิยะอาพิญญาที่เสี่ยงต่อโทษมักนำให้มหาชนผู้ยังมีกิเลสรุ่มหลงอยู่ในโลกแห่งความเลือนลางวุ่นวายกับสิ่งที่ลับๆับล่อๆหรือปลุบปลุกโผล่ๆไม่อาจทำให้จ่าแจ้งชัดเจนและไม่ขึ้นต่อวิสัยของตนทำให้ละเลยความเพียรพยายามที่จะทาการต่างๆตามเหตุผลสามัญของมนุษย์ กลายเป็นผู้คอยหวังพึ่งปัจจัยหรืออำนาจโดนบันดาลจากภายนอกซึ่งเป็นการขัดต่อหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนาพระอระหันต์ท่านใดแม้จะไม่ได้โลกิยาอภิญญาไม่สามารถแสดงฤทธ์อะไรได้แต่ท่านก็มีฤทธ์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นฤทธ์แบบอริยะหรืออารยฤทธ์คือสามารถทาใจมองบุคคลและสิ่งซึ่งไม่น่ารักน่าเกลียดน่าชัง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 ไม่ทำให้หลุดพ้นโลกียะอภิญยาทั้งหลายไม่ใช่สาระของพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธศาสนาไม่เกิดขึ้นไม่มีอยู่อภิญยาเหล่านี้ก็มีได้เป็นของมีมาก่อนพุทธกาลและมีได้ภายนอกพุทธศาสนาไม่ใช่เครื่องแสดงความประเสริฐของบุคคลหรือของพระพุทธศาสนาคุณค่าและความประเสริฐของอภิญญาเหล่านี้จะมี ต่อเมื่อเป็นของท่านผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบัรลุอาสวะกไยแล้วแต่ถ้าเป็นของปุถุชนก็เป็นของมีโทษร้ายไม่ยิ่งย่อนกว่าคุณหากเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบัณลุอาสวะกไยเพียงอย่างเดียวหรือแม้แต่ดำรงอยู่ในอริยภูมิที่ต่ำกว่านั้นเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยสัมมาทิฐิสมบูรณ์ก็ยังประเสริฐกว่ามีอภิญญาเหล่านั้นครบทั้งห้า แต่ไม่มีความดีงามเช่นนั้นด้วยเหตุนี้พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนมากจึงเป็นพระปัญญาวิมุตต์โดยไม่ได้เลื่อนเปลี่ยนฐานะขึ้นไปอีกแต่ประการใดและอีกมากมายหลายท่านแม้เป็นอุปโตภาคาวิมุตต์แล้วก็ไม่ได้ทำอภิญญาห้าเหล่านั้นให้เกิดขึ้น